จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้อัตมาพาพจะได้นำเสนอธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเป็นประจำวันนี้ก็เช่นเคยก็จะข อ, อนำธรรมะในส่วนของตำนานคาถาพาหุงหรือบทถวายพรพระที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ต่อจากคราวที่แล้ววันนี้ก็ขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับรับฟังในส่วนของพระคาถาพาหุงในบทที่6ที่7ที่8จึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน มาสดับรับฟังธรรมะบรรยายในเรื่องนี้โดยพร้อมกันพ่อต่อไปบทสัจจังดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพชนด้วยสัจจกะนิครนนี่ก็พวกเดรัถีประเภทหนึ่งเหมือนกันอันมีอัจฉาใยในการจะละเสียซึ่งความสั์ชอบกล่าวยกย่องซึ่งถ้อยคำแห่งตนขึ้น ให้สูงดุดยกธงนี่คำแปลมานะอันบังเกิดความมืดมนยิ่งนักสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพิชิตสัจกะนิครนด้วยพระยานอันรู้อัจฉสัยสัตว์และตรัสเทศนาเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบรรดาให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าด้วยพระปัญญาทรงสอนให้สัจกะนิครที่หลงตัวเอง ว่าตัวเองนี่มันมีปัญญาแก่กล้ากว่าพระพุทธเจ้าทรงทรมานแล้วก็สอนจนสำนึกผิดได้ด้วยพระปัญญาหรือด้วยพระญาณ น, นะเอาข้อต่อไปบทนันโทดำเนินความว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจนด้วยนันโทปนันทะนาคราชนี่เป็นพญานาคราชนะพญานาค ชื่อนันโทปนันทะโดยทรงให้พระมหาโมคคลานะเทระจำแลงกายเป็นนาคราชทรมานนันโทปนันทะนาคราชผู้มีมหิทธิริอันเป็นมิจฉาทิฐิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตนันโทปนันทะนาคราชด้วยวิธีอันให้ซึ่งอุปประเทศแห่งริษแก่พระโมคคลานะเสระเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสวัสดิสตริสวัสดิชัยมงคล พญานาคคาราทเอพญานาคราชแปลว่าพญานั่นแหละฤทธินีพญานาคชื่อนันโทปนันทะแสดงตนว่ามีฤทธิ์กว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่ทรงกระทําด้วยตนด้วยพระองค์เองแนะวิธีให้พระมหาโมฆลลานะจัดการกับนาคราชรายเพราะนาคราชนี่ก็น่าดูเหมือนกันฤทธิ์มากเหมือนกัน กระทรงแนะนาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระมหาโมคคลานาก็เลยจัดการหน้าคราชเนะี่ยไม่ทราบเอาไปต้มยำหรือยังไงแต่ว่าจับก็ ก, ก็หมดฤทธิ์นั่นแหละนไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละอันนี้ก็แปลว่าพระองค์ทรงใช้อุปเทศหรืออุปเทเนศะก็คือแนะวิธีอุบายวิธีทำฤทธิ์เอาชนะ นันโทปนันทะนาคราตนั่นเองให้แก่พระมหาโมคคลานะแสดงเอาบทอีกบทหนึ่งบททุกขาดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงระจนด้วยพระกาพรมแม่นี่ก็จอมฤทธิ์เหมือนกันนี่เป็นพรหมเนีเป็นพรห ม, มซึ่งเป็นมหาพรหมอันสำคัญตนวารุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธ เป็นผู้มีฤทธิ์มีมืออันอสอรพิษคือทิฏฐิคือเป็นมิจฉาทิฏฐิว่างนั้นเถอะถือตนอันถืออันตนถือผิดบ่มิได้ละวางพูดอย่างง่ายงก็คือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะพรหมน่พรห ม, นะมรูปนี้นะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตระกาพรหมด้วยวิธีอันประกอบถึงโอสถกล่าวคือเทศนายาน ก็คือทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจนชนะจนพรมเนี่ยก็ต้องยอมพูดอย่างง่ายๆเดชะแห่งพระพุทธัยมงคลในกล่าวนี้ขอจงรุนบันดารให้เกิดสิสวัสดิ์ใจมงคลทีนี้คําสุดท้ายเอตาปิพุทธชัยมังคาถายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีนี่เนี่ยว่าอย่างนี้นะคำแปลก็บอกว่าอันว่าบุคคลใดประกอบด้วยปัญญา บอมิได้เกียรติครานจะสวดก็ดีจะระลึกถึงก็ดีซึ่งพระคาถาทั้งหลาย ท, าทั้งแปดบทอันสรรเสริญซึ่งชัยมงคลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันอันว่าบุคคลนั้นมาละเสียแล้วคือละนะมาละเสียแล้วซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอันมากพึงได้ซึ่งสิวโมกนรุพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขพูดอย่างง่ายๆถ้าใครจเจริญ พระพุทธมนต์หรือพระคาถาชัยมงคลคาถานี้เป็นประจำแล้วก็ถ้าได้รู้ความหมายอย่างนี้ด้วยก็จะยิ่งดีเนะี่ยจะได้เอาข้อปฏิบัติหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าแปดข้อเนี่ยเอามาใช้ประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลแก่ตัวตรีมงคลแก่ตัวป้องกันภัยได้นะป้องกันภัยได้และให้ถึงเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิต นำไปสู่ความเจริญถึงมรรคผลนิพพานได้าว่าดำเนินตามนี้ก็คือบาเพ็ญบารมีสิบทัศน์นั่นเองนะบาเพ็ญบารมีสิบทัศน์นั่นแหละนี่ทั้งหมดเนี่ยจึงว่านำไปสู่การบรรลุหรือเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานแต่นี้เขาใช้ภาษาว่าสิวะโมกนี่เป็นความหลุดพ้ น, น, นหรืนรุภานก็ก็คืออันเป็นเอกันตบรมสุข พูดอย่างง่ายๆก็คือถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขนั้นนั่นเองนั่นตลอดการอันนี้ก็แปลออ่านให้ฟังแล้วก็พยายามชี้แจงให้ฟังในรายละเอียดนะเราดูอีกนิดนึงว่าเขามีคำถามอะไรอีกเผือว่าจะสมควรตอบก็จะรีบตอบอ๋ออันนี้พระท่านถามนะ พระที่วัดผมฝากถามมาว่าคำว่าสัมมาอระหังย่อมาจากมนบทไหนหน้าที่เท่าไหร่โอ้โหถามลึกเลยนะส่วนใหญ่คุ้นเคยแต่คำว่าอระหังสัมมาสัมพุทธโธนะก็อันนี้ก็เป็นสองคำมาประกอบกั น, กนจากพระพุทธคุณนั่นแหละอิติปิโสพัควานั่นแหละ นะที่เราว่าเนี่ยอารหังสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละก็ขึ้นต้นว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็เอาคำหนึ่งมาใช้ว่าสัมมาอันนี้หมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าอารหังแปลว่า พระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงคือไม่กระทําความชั่วหรือบาปอากุศลทั้งในที่ลับและที่แจง้งก็หมายถึงพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธอรหังอะไรก็แล้วแต่ความหมายสองคำนี้และความหมายสองคำนี้ถือเป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้า ก็คือว่าควบพระพุทธคุณทั้งหมดนะฮะพระพุทธคุณเก้าอย่างนะควบหมดย่อมาเป็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาอระหังนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ที่เข้าใจบาลีก็ยกมาว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทธโธ ก็ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยดีโดยชอบก็ได้โดยดีก็ได้เมื่อรวมกันเข้าเป็นสัมมาสัมพุโทโธอารหังก็แปลว่าผู้ไกลจากทีเลวประกอบกันเข้าหลวงพ่อท่านก็เลยใช้สัมมาอารหังสัมมาอรหังนี่และแท้ที่จริงมีพระคุณเจ้าก็โปรดทราบและโยมก็ ขอได้ทราบด้วยว่าผมได้ยินมานะแต่ไม่ได้ยินด้วยหูของตนเองด้วยยินมาจากสืบๆต่อๆกันมากระผมนี่ไม่ได้พบกับหลวงพ่อในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่นะเพราะตอนนั้นกระผมกำลังทั้งสุราและนารีไม่มีทางได้เข้าถึงหลวงพ่อนะฮะ แล้วก็แต่ได้ยินว่าหลวงพ่อเอาคำนี้มาจากพระนิพพานนะเอาคำนี้มาจากพระนิพพานเมื่อหลวงพ่อถึงพระนิพพานถึงพระพุทธเจ้าซ้อนเข้าไปแล้วเนี่ยคำบริกรรมภาวนาเนี่ยหลวงพ่อถามพระพุทธเจ้าใช้คำอะไรก็ได้ว่าให้ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นคำนี้จะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เนี่ย และจริงๆแล้วคำนี้ก็คือควบพระพุทธคุณทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถือเป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้ามีใครเรียนนักธรรมชั้นเอกก็จะทราบดีก mm ็ hmm. าอาจจะถามก็ได้อะไรเอ่ยที่ควบพระพุทธคุณไว้ทั้งหมดที่ชื่อว่าพระนามใหญ่พระพุทธเจ้าน mm ี hmm. ่ก็คือสัมมาสัมพุทธโธกับคำว่าอารหังนี่เองนะฮะอันนี้ก็ พ่ออื่นๆโอ้มีคนถามก็ควรรีบตอบซะด้วยรีบตอบซะด้วยขอตอบใบหนึ่งก่อนนะอืมต้องสองใบละแม่มินของหน้าตอบเท่านั้น เอาเรื่องแรกก่อนอันนี้เป็นไม่ชีนะไม่ชีวันเพนเทียมณีถามว่าเนื่องด้วยดิฉันมีปัญหาจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการถวายสังฆทานเนื่องจากดิฉันได้เห็นพระภิกษุบางรูปรับสังฆทานของญาติโยมแล้วนําของที่ได้รับนั้นไปให้ญาติของท่านเองโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อสงฆ์ ดิฉันอยากทราบว่าการกระทำอย่างนี้พระภิกษุรูปนั้นจะเป็นบาปไหมแล้วผู้ที่จะรับสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นบาปหรือเปล่าคะและผู้ที่ทำบุญจะได้บุญได้กุศลเต็มที่เหมือนกับที่ถวายกับสงฆ์ไหมคะถามมาหลายข้อการถวายสังฆทานนี่เอาเรื่องฝ่ายโยมก่อน เมื่อตั้งใจถวายให้แก่สงฆ์ขาดจากใจไปแล้วเป็นอันได้อานิสงส์เต็มไม่ต้องสงสัยนี่ข้อที่หนึ่งส่วนพระรับไปแล้วของทั้งหมดนั่นเป็นของสงฆ์ของทั้งหมดนั่นเป็นของสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าภิกษุรูปใดหยิบ เอาของสงไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสงไปให้กับคนอื่นตรงนี้ไม่ถูกต้องนะตรงนี้ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินะัยนะต้องได้รับอนุญาตจากสงเอาเป็นของตัวให้ถูกต้องตามพระธรรมวินะัยแต่การได้รับอนุญาตจากสงนี่ ก็ต้องเข้าใจซะก่อนแต่ละวัดอาจจะทำไม่เหมือนกันแต่วัดนี้ทำอย่างนี้ก่อนเข้าพรรษาและก่อนจะออกพรรษาเราจะขอฉันทานุมัติจากสงฆ์ว่า ตัวหลวงพ่อเองก็ตามหรือพระอื่นใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆทำแทนหลวงพ่อหรือทำในานามของวัดหรือทำตามหน้าที่รับผิดชอบก็เป็นอันขอให้ ถือว่าสงอนุญาตนี่รวมไปถึงญาติโยมด้วยเช่นกรรมการมูลนิธิหรือโยมที่เข้ามาบางท่านก็อาจจะทำหน้าที่ก่อสร้างอาจจะทำอะไรต่ออะไรอาจจะมีการตัดการทอนหรือการให้การจำน่ายจ่ายแจกที่กระทำไปโดยเจตนาบริสุทธิ์ ตามอำนาจหน้าที่ของตนของตนที่ได้รับมอบหมายขอให้สงอนุญาตเ่เพราะฉะนั้นที่วัดนี้เราทำอย่างนี้นี่ทำตามอำนาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายหรือที่ที่สงควรจะทำได้เลยเช่นว่าเมื่อถวายพระทหารมาสง์ก็แบ่งกันฉันเลยอย่างนี้ไม่มีปัญหาที่นี่เราขอกันไว้ ที่อดีตก็ตามที่จะมีต่อไปข้างหน้าก็ตามขอกันอย่างนี้ปีหนึ่งขอสองครั้งเป็นอย่างน้อยบอกกันไววเชียเพราะฉะนั้นญาติโยมใดที่มาอาจจะมาช่วยทำโน่นทำนี่แม้บางอย่างก็อาจจะช่วยตกแต่งต้นไม้หรือทำอะไระอะไรที่ได้รับอนุญาตจากสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงฆ์ที่ อาตมานำอยู่นี้ทำอย่างนี้ขออนุญาตไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสงฆ์ทำอะไรไปในลักษณะของทำตามอำนาจหน้าที่ปกติหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษกระทำเพื่อวัดแม้บางครั้งอาจจะมีการแจกจ่ายเช่นพระเราไปติดต่อ ง, งานขอให้คนเขาช่วยอย่างโน้นอย่างนี้อาจจะเอาพระนิกแจก ก็ให้ได้รับอนุญาตที่นี่เราทำกันอย่างนี้ที่นี่นะทีนี้เมื่อกล่าวต่อไปถึงขั้นที่สองว่าถ้าภิกษุใดเอาของสงฆ์ไปแจ ก, กให้กับญาติของตัวแจ ก, กญาติของตัวนี่มีข้ออนุญาตอยู่ตามพระวินัยมีอยู่เหมือนกันนะโยมต้องเข้าใจ หนึ่งพ่อแม่สองผู้เป็นอุปทาษได้ทำได้อันนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นยกเว้นเช่นว่าพระเนี่ยยังอาตมาเนี่ยใครถวายของมาจะฉันเนี่ยอาตมาอาจจะแบ่งแบ่งบ่งแบ่งนะฉันหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะแบ่งแเ่งอ้าเน้นเอาไปนี่เน้นอุปทาษอยู่นะหรือฉันเสร็จแล้วเหลือเอา้าโยมเอาไปฉันไป นี่อย่างนี้ได้และอตาตมาก็ทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเอาไปให้เฉยๆอื่ น, นๆโดยพร ะ, ะการไม่ถูกผิดผิดเท่าไรตามพระวินัยสงฆ์อตาตมาจะไม่พูดพูทธนิพพอพระท่านรู้พระวินัยสงฆ์มีนะเป็นไปตามพระวินัยพุทธบัญญัติ อาตมาจะพูดเพียงเท่านี้ก็ปแปล ว, ว่าไม่ถูกต้องก็คงจะตอบปัญหาโยมได้แล้วนะเพราะฉะนั้นที่วัดนี้เราระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องนีนะ้แต่การให้ทำได้เช่นฉันแล้วให้ของที่เหลือจากฉันหรือว่าขออย่างอาตมานี่ขออำนาจไว้เลยจะให้อะไรใครขออำนาจไว้เลยการจะให้ มีวัตถุประสงค์เช่นว่าให้ผู้นี้เพราะเขามีบุญคุณต่อวัดก็ขอรับอนุญาตจากสงฆ์ให้ให้ได้ี่อาตมามีแจกพระโดยเหมือนกันนะแจกพระพระมีเนี่ยบางทีก็แจกแต่ในวงจากัดว่าคนนี้มีบุญคุณต่อวัดให้อย่างเช่นให้กรรมการวัดเนอาตมาให้บอกซะก่อน กรรมการวัดหรือกรรมการมูลนิธิซึ่งเขาร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาถ้ามีพระอะไรดีก็ให้นี่ให้อย่างนี้แต่ว่ามีวัตถุประสงค์มีหลักการจดไว้ด้วยว่าให้อะไรแก่ใครในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างเรื่องพระนี่จดเลยพระที่อยู่กับอัตมาเนี่ยพระมหาอธิโชคเป็นคนจดบอกว่าวันนี้ให้อ น, นันคนนั่นไปเพรา ะ, ะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ี่อย่างนี้นะที่วัดนี้เราทา เพรวัดนี้เราเรานอกจากเท่านี้แล้วแม้แต่สตางเราก็ไม่ได้มานั่นนะทําบุญมานี่อาตมาเนี่ยถ้าไม่มีใครกําหนดไว้ว่าเอานะ่าให้ถวายลุงพ่อใช้ส่วนตัวทุกองค์ในนี้รวมไปหมดแม้แต่อาตมาเองเนี่ยจะไปที่ไหนคนถวายมาไม่ว่าจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าไม่ระบุว่าเป็นส่วนตัวเข้ากองกลางหมด ให้เขาใช้มาใช่ร่วมกันลูกเนนที่อยู่ด้วยได้เงินเดือนหมดเคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะเรื่องนี้เราก็กลัวเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วขาดทุนนะเผลอไม่ได้นะเผลอแล้วก็เสียเลยนะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็บอกบอ ก, บอกต่อๆกันว่าอย่าได้ประมาทประมาทไม่ได้พระนี่ประมาทไม่ได้ทุกคนแหละโยมก็ประมาทไม่ได้เนนก็ประมาทไม่ได้ไปนระกเอาง่ายๆประเดี๋ยวนี้พระ เอาเดี๋ยวนี้ลูกเนนหลายคนเลยนะปฏิบัติถึงธรรมกายเดี๋ยวต่อไปจะให้ตรวจพบตรวจจักรวาลให้ไปดูนรกมั่งว่ามาจากไหนทำผิดอะไรถึงมาลงนรกทำผิดอะไรถึงไปเป็นเปรตอีกไม่นา น, นในสองสามวันนี้ลูกเนนที่ถึงธรรมกายกันหลายคนกําลังฝึกเจริญฌานสมาบัติบ้างฝึกพิสดารกายบ้างแล้วก็ฝึกพิจารณาสติปัฏฐานสี่บ้างหลายรูปแล้วนะ แล้วต่อไปก็คงจะตรวจพบตรวจจักรวาลก็จะเห็นแหละใครมาเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรเกิดเป็นสัตว์นรกชั้นไหนชั้นไหนเพราะอะไรเกิดเป็นเปรตเพราะอะไรเกิดเป็นสัตว์ในไรฉานเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพวกเราที่เราเสียสละกระทํานี่กระทาเพื่อช่วยพวกเราเพื่อช่วยพวกเรา น, ะรานะนี่อย่างนี้นะแล้วก็บอกใครใครใมาให้พระมา ไม่ค่อยมาหรอกที่มาก็เท่านี้ไม่ค่อยมาอย่านึกว่ารอดนะพระเผลอก็ไปเพียงแต่ฉันไม่ได้พิจารณานั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าฉันด้วยความเป็นนี้ไม่ได้เข้าของอะไรจะไปให้ใครอะไรอะไรไม่ได้โดยพารักการของทรงอัตมาไม่ได้ให้นะถ้าจะมีให้ ก็โดยหลักเกณฑ์เสมอกันหมดไม่มีข้อยกเว้นลูกอาตมาอยากได้พระเนี่ยอยากได้ก็เอาไปสิองค์หนึ่งเขาทาบุญห้าพันก็เอาห้าพันมาไม่มาก็ไม่ให้ก็อย่างนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล่นนี่พระดีในองค์องค์เล็กนะ่ยเทพนิมิตเนะ่ยตอนทําบุญกรถิ่นพระปาก็ ผู้นำบุญกฐินก็สองมื่นผู้ที่ถวายหรือหาเงินมาในขณะนั้นก็ต้องมื่นสองแต่เดี๋ยวนี้ลดให้เป็นห้าพันบอกว่าเขาอยากได้บอกอยากได้เหลือเกินหลวงป่าบอกเอออยากได้อยู่เฉยๆมีเงินก็เอามาจนกระทั่งเอาละพอเสร็จงานแล้วอาตมาก็บอกว่าต่อไปนีเน่เห็นแก่ญาติโยมอยากจะได้ของดีเอาไว้ ของนี่ดีอย่างไรอย่างไรเนี่ยพระวัดนี้เขารู้เขามีประสบการณ์นะฮะแต่อาตมา ก, ก็พูดไม่ได้อีกแหละแต่ก็บอกว่าดีมากไอ้ลูกก็อยากได้เพราะมีเทวดาไปเข้าฝันกับลูกเขยแล้วไปอีกหลายแห่งเทวดาเนี่ยไปบอกหลายคนไปแสดงคล้ายๆกันนไปแสดงอย่างนี้เอาจะบอกให้ ตรงนี้พอเล่าได้ไปแสดงเลยเนี่ยอัตมามีลูกเขยคนหนึ่งใส่พระที่กรุวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรสร้างนะเป็นพระที่มีอนุภาพสูงที่สุดในขบวนพระทั้งหลาย ที่ว่าพระเครื่องเนี่ยอนุภาพแรงที่สุดคือหลวงปู่เทพโลกอดรอแกก็ฝันไปไอฝันนั่นคือฝันเคลืเรเป็นคนนั่งภาวนานะวันหนึ่งประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจิตเขาสงบพอสมควรแล้วใกล้จะตื่นวันนั้นเป็นวันทอดผ้า ป, ป่า วันนาวการอุสรซึ่งเป็นวันแรกที่จะเปิดให้บูชาพระนี้ไม่ใช่ให้บูชาคือให้แกให้แกคนมาทำบุญเขาก็มาทำเช้านั้นตีสี่เขาเคลิ้มมันจะตื่นแล้วรู้ตัวครึ่งหนึ่งเนี่ยเทวดามาบอกเทวดาผู้หญิงบอกว่าที่ท่านแขวนพระเนี่ยดีรัศมีมากแล้วก็ยก ของเทวดาเขาเนี่ยยกไปอยู่แต่องนี้นะองค์ที่ท่านแขวนเนี่ยสว่างเหมือนอาทิตย์ในตอนเช้าแต่องค์ที่เทวดาแขวนนี่ชูให้ดูเนี่ยบอกสว่างเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันแกก็ตื่นเลยแกก็ดูแกเห็นตำหนิพระหมดทุกอย่างว่าพระมีตำมีลักษณะอย่างไรอย่างไรแกก็มาแต่เชา้า มาถึงก็เข้าไปนั่งภาวนาในโบสถ์พระที่โบสถ์ก็บอกว่าพี่พี่เคยเห็นแม่พระนี่เนี่ยวันนี้จะเอาออกให้คนแก่ก็ดูอ๋อก็เลยจำได้เอา้าเมื่อเช้านี่เทวดาไปบอกนี่แหละองค์นี่แหละ น, นั่นแหละเป็นเหตุให้ลูกมันอยากได้ที่ญาโยมสาธุชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็น สารธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมาหาเสริมชัยชยะมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งต่อจากข่าวที่แล้วในเรื่องตำนานของคาถาพาหงุงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้อธิบายขยายความให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการได้รับฟังไว้แล้วว่ามีความเป็นมาอย่างไรในแต่ละบทในแต่ละบทนั้นพระสงฆ์ท่านสวดแล้วมีความหมายว่าอย่างไร และในหลังจากช่วงที่จบจากอธิบายเรื่องบทคาถาปาหุงแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้ตอบปัญหาแก่ท่านผู้ถามปัญหาในเรื่องที่มาของคำว่าสัมมาอารหังว่ามีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อท่านก็ได้อธิบายขยายความไว้โดยให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการได้ทำความเข้าใจในบท บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรังซึ่งเป็นบริกรรมภาวนาในการปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณน้อมเข้ามาสู่อย่างใจผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและยังมีปกิณกะธรรมเล็กๆน้อยๆนอยในช่วงต่อจากนั้นที่รายการธรรมะสูสัญตินำมาฝากท่านสาธุชนในวันนี้ก็เป็นธรรมะเบาๆสบายๆ